พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่9ก้าเกวัตตสูตรสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมแก่บุตรครือหบดีชื่อเกวัตตะพระผู้มีพระภาคประทับนับป่ามะม่วงของปาวาริกะใกล้เมืองนาลันทาณที่นั้นบุตรครือหบดีชื่อเกวัตตะเข้าไปเฝ้าขอให้ทรงชวนภิกษุผู้แสดงอิทธิปฏิหารได้ให้แสดง